ถึงระวังยังไงมันก็ไม่เห็นรดเ้าเวงกรมตามสนองมีบุญแต่ํามบังไม่ให้เราเห็นรดและให้รดชนเราตายมันก็ออกมาอย่างนี้นะเนี่ยสมาพอประสบประการมาเองขอหาภับไปเลยเนี่ยแล้วก็เลือกเส้นจมูกแล้วก็ไอ้กระจกลดเนี่ยมันก็เอาถกหนังเนี่ยหมดเลยไว้แหวงหลังหมด แล้วก็เลือดสมุกเลือดคอเร็ดเป็นคอแล้วเราก็ต้องตายแต่แล้วที่เราฝึกกรรมาฐานได้ปรับหายใจทางสะดือได้องหนอยุกหนョหายใจได้มีพลัฐานแล้วก็คอเนี่ยพับลงมาหน้า อ, อกสัมมาเมือม่ออยู่มือหนึ่งก็เดินมันขึ้นไว้มันขึ้นไว้ แล้วหายใจชงดือของหนอยุบหนอตอนนั้นเราไม่ถึงแม่เออเรามานึกอยู่ในใจว่าเราอยู่ในท้องแม่นี่นะ mm hmm. ก็กินน้ำเลือดน้ำเหลืองแม่ทางสะดือแน่ๆคงไม่ใช่ส ม, มูททางปากแน่ๆก็คิดอยู่ทุกวันเลยก็มาตั้งปัญหาเข้าาหลับตาจึงเห็นแม่ลืมตาออกไปถึงจะเห็นข้อ นั่งอยู่ตรงนี้ไม่อาจจะทพุนบอกเดี๋ยวจะมาก็เขาก็จะเอารถไปส่งโรงพยาบาลออกจา ก, กรถเดินไปยี่สิบวานเลยก็น้ำมันท่วมตามตลาดแล้วเขาไปขายของตามถนนถือว่านี่กะทัว่วมจอมัยนั้นจะมาก็บอกโยม คืออุ่นน่อยแต่ความรู้สึกไม่เสียเป็นทั้งปากแล้วมันไม่รู้สึกตัวมันตายไปหมดแล้วแต่สติมันมีอยู่สิลิ้นตีหลายจึงมาสอนกันว่าตั้งสติลิ้นตีเนี่ดีสุดเสียใจดีใจกําหนดไว้ตรงนี้หายแน่ๆเธอก็บอกโยมอุ้มหน่อยพวกยมอยู่การถนนเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกไปอุอ่นธรามหัวเละ หัวเราะเราขอหาพาไปยันเสือพูดนายเหยอเนีเสือพูดนายแหมเราบอกยมไม่ตายเขาก็ไม่ยอมอุมกระเด็นจากรถไปยี่สิบวาอยู่โ น, โน่นเลยนอนแอ้งแหล่งนีทยาำยังไงแล้วก่อนนะายทหารหน้ากาคนหนึ่งลอยขึ้นหลังรถทัวไปเลยเขานึกว่าไอ้เสือพี์ ลุงขาวลุงขาวอย่างเงี้ยมันลอยไปใกวันซสื้อพิมพใช้สุบเข้าก็ตายโชเฟ่สลบไปแล้วทีนี้ต่ตมาก็บอกให้โยมอุ้มไม่มีใครยุ่งวนตำรวจทางหลวงมาไอรถทัวทันงึ้นฉันหม้อน้าแตกหมดเลยไอประตูพังหมดเลยนะมันก็จอดไปไม่ได้ตำรวจเขาก็เอาไว้ได้ แล้วโชเฟอร์นั่นก็บอกว่าไม่เห็นอตาตมาไม่เคยเอาเรื่องเลยแล้วมายอมเอาเงินค่ารักษาด้วยเพราะเราเวงกรรมเรารู้อย่าไปสร้างกรรมเอาสตางค์ามารักษาเลยเป็นการกรรมต่อรกรรมบอกว่ารถทัเรศทังจิตนะครขวัญบาตมาไม่สร้างเวงกรรมาท่านแร้วถ้าตามาตายก็มาเอาเงินค่าเผาศพไม่มมีการฟ้องร้องเรามันมีกรรมเราสร้างกรรมมาเองนะ แล้วก็หายใจทางสะดือได้จนมีประโยชน์เอามาสอนเด็หายใจทางจมูกไม่ได้แล้วถ้าพูดโธ่ต้องตาชื้เลือดเต็มนี่เลยเนะียในเลือดเต็มรอตำรวจทางหลวงมาก็บอกเอ๊ะหลวงพ่อไม่าทายหรอกฉันพูดได้เขาจึงไปอุ้มมาในนั้นไอ้พวกนั้นพูกตลาดปาก บ, บางที่เราตายแน่ตาํารวจบอกพูดได้จะตายได้ยังไงก็ไปอุ้มมา ปู ม, มาก็ใส่รถรถตรงนัน้นรถเออรถตรงแถวแล้วพอดีเนี่ยไอ่เบาะเนี่ยมันไม่มีแล้วเครื่องมันอยู่ที่ตูดแต่ตสมาพอดีนะเครื่องรถแล้วก็เขาไม่ได้ใช้แล้วก็พอดีไอ้น้หมอรถมันเนี้ยฝามันหายเขาพักพยูจุกไว้ก็ขาใไ่ปลายเร่งเครื่องไปไปถึงวิทยาเกษตรตรงเนี้ย เราก็จับพอไว้ลื้นตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินถ้าก็เดี๋ยวมาเนี่ยผมนาหน้าเดี๋ยวกูจะซ้ําเอ้ยอะไรวะไอ้หาเราจะแยกจะซ้ําเลยเหรอเนี่ยหัวเต่าโผล่มาเป็นแถวหมดไอ้เต่าหัวโผล่มาเป็นแถวหมดกูจะซ้ํา ม, มึงเต่ามาพูดอย่างนี้เนี่ยผมนั่น้าเดี๋ยวกูจะซ้ํา แล้วบอกพี่โชเออต่าวเอก็ขาใช้นี่แกเมื่อวันก่อนแล้วข้าปวดแสบปวดร้อนมาตั้งหลายวันแก จ, จะซ้ำใครเหรอไม่ได้กูจะต้องซ้ำมึงทำกูเจ็บใจนะเขาบอกกูจะซ้ำผ้าที่ตูดนี่ยอมผ้าหลุดเลยผ้าผ้าไอหม้อน้ำหลุดแล้วก็นำร้อนก็พุ่งขึ้นมา น้ำร้อนม้อไอหม้อนน้ํามาอยู่ที่โจูบแล้วโชเฟอร์ก็เ น, นี่ยยัอยู่เนี่ยโชเฟอร์ชื่อในชาวชื่อคนจรีจรนจุดกลางเขาทําอิบขายเขาบอกเอาน้ํารัวแล้วน้ํารัวแล้วัววงจอดแนละ้วไอฝ่ายข้างหลังบอกจะจอดคนหลังจะตายแล้วแรงเครื่องเลยพอแรงเครื่องใหญ่เลยน้ำพุ่งมยาใหญ่เลย ล้างเลือดแล้วสบายเอาลองที๋ยลองอันนั้นลองลวกดูมั้งไหมเอาไหมเอาหน่อยซิเลยเลือดที่หนาผากเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยหนังเนี่ยไม่มีแนละ้วมันลวกหมดเลยนะมันลวกไก่เลยจนะลองดูไม่เชื่อลองดูฮนะโอโหทรมานแล้วก็ไอพวกตีระคองละไผ่เนี่ย ยุดเถอะหยุดเะไอ้คนหลังมันจะหยุดไอ้คนหลังจะตายเนี่ยไอ้โชเอ้อมันจะตายแล้วก็นาวาตรีคนหนึ่งบอนสองไอ้คือโครงแทงศัพท์จะตายยีบไปโรงพยาบาล <c oughs> เลือนน้ำ ม, มันก็ไหลเรื่อยขึ้นมาพอถึงโรงพยาบาลถึงบุรีน้ำแห้งหมอพอดีเลยถ้ามันไม่แห้งคงจะพุ่งลงอีก นะยมมลองไม่เชื่อผมนี้ลอนน้ำร้อนลวกดูบางทีเนะีนี่เต่ม า, ามาซ้ำพอไปถึงโรงพยาบาลเนะียเราก็ต้องตายเนะีเพราเรารูเ้เรือตายวันนั้นชะุดติตุลาพอไปถึงแล้วหมอใหญ่นายทย์สมหมายทองประเสริฐก็รีบเอาสมาไปฉายสระฉายปับ๊บเราได้ยินว่าแวหววหูว่าแวว หมอสมหมายบอกว่าเอาเข้าห้องไอซียูไปเย็บหนังให้หมดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรล้างผ้าแส่งตัวให้ดีแล้วกลับไปวัดกลับไปวัดแ ล, ล้วก็หาพี่ผ้ามอนด้วย <S <S เอยเราก็ต้องตายเขาว่างั้นคอขาดเ ข, ขาใช้เชลยแล้วคอขาดเลยเนี่ยอย่างนี้เดิน บอกไม่รอดอ่ะในสมหมายของเธอยังอยู่นี่หมอเนี่ยหมอยังอยู่นะเลยจะมาก็เอาไม่เป็นไรเราหูไม่ได้ยินมันเมืแบบ่อแววขาลืมมาก็ไม่มองไม่เห็นได้ยินเสียงหมอพูดรแหววว่าไม่รอดวันนี้อยาไปแล้วเลยรียบเข้าห้องจะยูเย็บ ถกนังมาเย็บใช่ทำความสะอาดแล้วก็ล้างเลือดล้างอะไรเรียบร้อยเอากลับวัดนู้ว่าเออกลับวัดทำไมอ่ะเอะกลับวัดทำไมเดอะํามาก็อธิษฐานจิตยกมือไม่ได้มือหนึ่งก็บอกว่าข้าพเจ้า ให้มีมนุษย์หมดแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปเลยข้าพเจ้ารู้หนทางแล้วต้องตายวันนี้รู้ลุงนาหกเดือนไม่จะเสีอใจเลยเลยนะพอเราไปทำกรรมมาแล้วก็สาหากว่าข้าพเจ้าใช้มีมนุษย์ใม่หมดขอเท้าเวสุวันยมมาทูตแทนเท้าเสวราล์กโปรดให้ข้าพเจ้ากลับมาใหม่ได้ไหม ไม่ใช่นี่มนุษย์ให้หมดสิ่งกันในชาตินี้ชาติอยู่ชาติหน้าข้าพเจ้าจะไม่ขอมาเกิดอีกต่อไปโลกมนุษย์นี้มีแต่โลกขี้เกียจโลกฉาโลกขี้โกงโลกขีอิจฉานิสยาการข้าพเจ้าจะไม่ขอมาถ้าเป็นไปได้นะขอให้ข้าพเจ้าฟื้นคืนมานะบัดนี้ เลยหมอเขาก็บอกให้บุรุษพยาบาลเอาเอารถมีเตียงมียุร้อเรี็กแล้วให้นอนไม่มีไม่มีหมอนนอนตรงๆงแล้วบอกให้บุรุษพยาบาลสไลด์ถเข้าไปห้องของโน้ตหรืดวนเลยพอดีมันมีประตูเหล็กยืดมันมีประตูลางอสองคนบุราบาลก็สไลเต็มที่เลย ล้อเข้าไปขัดล่องโคลมคอติดเลยเออคอติดขึ้นมายกแขนยกขาได้ตาเห็นนั่นสิกลัวคอติดเลยพอคอติดขึ้นมาแล้วไอ้บุรุพยาบาลไม่ไอ้หายมาพูดกันได้ยินแล้วคเนี้ยได้ยินชัดเลยไอ้ห่ากูรู้ว่าตายห่าเลย นึกว่าตายหาแล้วนะเนีะคลอมเนี่ยดันเสือกฟื้นขึ้นมาได้แล้วคนหนึ่งมันว่าไงอคนเือไม่เติมถักกูเชียนะถ้กกูไม่สาลงล้อมแมนจะฟื้นหรือเนี่ยฟื้นขึ้นมาเฮ้ยฟ้นเลต้องเสียาสมเด็จบรรคางององค์เลยนะพระออนเลยฟื้นขึ้นมาแล้วหมอแม่หมอสงสัยยังไม่เชื่อน่ ตอมาให้อะมาบิดบิดแทนเขาว่ามีแรงไหมมีแรงไหมแล้ยกขายกแ่มีแรงไหมเพราะกลัวไปอาัมาพาตจะฝ่าย พ, พยาบาลมาสองคนเดินก้าๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆมารองพ่อา้ารลงเีบหนูใช่ไกว่าเราไม่มีแรงบอกคุณหนูเอาขาเดียวหรือสองขา ขาทีสองขาเองตายเลยนะนี่นะข้ามมีแรงเท่านั้นยกขาได้เลยเนี่ยะไม่อยากเชื่อเลยก็ไปห้องไอซียูเลยพยาบาลที่จะมาทำแผลบอกหลาพ่อไม่ต้องสิจยาชานะนี่พอขคอตึกแล้วยาลืมนะไอหัวนี่ชาดึงเลยโดนน้ำ น, น้อนมาไงล่ะ โน้ำร้อนโอ้โ ห, โหอคอติดแล้วรู้สึกขึ้นมาเล้ยชาดิ่งเลยร้อน บ, บึบบุบบุบที่โดนน้ำร้อนตะกี้เนี้ยือถ้าไม่เชื่อนนะเดี๋ยวลองวันนี้ลองน้ำร้อนไปลวกดูได้ไหมฮะไม่ล่ะฮะอ้าวเดีย๋ดวยวย้เหมือนกัน พอเข้าไปเสร็จแล้วก็เย็บดิบเนี่ยโดนเย็บทั้งนั้นเย็บดิบนุ๊กนุ๊กนุกเลยเสร็จก็ต้องทนหมอบอกว่ า, า, า, าหลวงพ่อถ้าฉีดยาชาหรือทาให้ชาเลยเย็บแผล ม, มันหายยากถ้าเย็บดิบอย่างนี้มันจะหายง่ายขึ้นเนี่ยทรมาร์เลือยเกินก็ต้องเย็บปตามหน้าฉีดแล้วเสร็จแล้วล้างเลยนะแล้วก็อยู่โรงพยาบาล หมอก็ทําอะไรให้ไม่ได้นายประกอบเป็นผู้นวยการโรงพยาบาลในแพทย์ประกอบเลยก็โทรไปหาหมอประดิษฐ์โรงพยาบาลเลือดศีลไปบอกว่าเอาหลงพ่อวัดโพนมาเลยหามไปถามขยลด์ไปอย่าถามขึ้นโรงพยาบาลเลือดศีลพอไปถึงโรงพยาบาลเลือดศีลผู้นวยการก็เอาเองเลย บอกเอี่มือลองพ่อของเรียนนะพอหากไม่ตายนะนอกนั้นก็ไปอมาภาพเลยเนะพอหากนีต้องทรายทุกรายเนี่มันขาดไปแล้วเนี่ยเลยก็เข้าเปลือกพันผ้าพายตรลายแล้วก็ลุกขึ้นมาขากลับนานอยู่สิงห์บุรีมาเด็ดขาดเดินได้พวกตามแห่ธาารรมดูมัคคีจะตายหามไม้กลับเดินได้ เดี๋ยวหมอยังดูนี่หมอประยิตเอาลูกบวชมาฝากไว้ที่หมอประยิต ป, ปัณิปรกเสียนไปแล้วอยู่โรงพยาบาลเลือกสินนะหมอกระดูกตัวลือขอขอสรุปให้ใจความให้ฟังว่านี่โกเทงกรรม่ดจามาต้องไปฆ่านกตกปลาไปไหนอกกนยรร่าทำมันมีอยู่หลายเรื่อง็อขอสรุปใจความว่าเรื่องเดียว จากการที่สองอธินาทานติดมาหกสิบเอร์เซ็นเบียดเดียนชาบเขารับรบองในชาตินี้ถ้าเราไม่เสริญกุศลภาวนาแล้วก็ต้องโดนต้มโดนขี้โดนไฟไม่บาดไม่ผิดแล้วแล้วตาเมศุมิชาจานติดมาหกสิบเอร์เนมาครางอดีตชาติวิบากกรรมที่จะมาถึงเรา รับรองขอประทานโทษขอเนื้อก่าวคำหยากอันนี้บ้างเพื่อจะไม่ถูกใจโยมถ้าใครได้ทำอันนี้ขอประทานโทษด้วยมีสามมีกี่คนเป็นของเขาหมดมีภรรยากี่คนมีชู้หมดจะใครไม่เจริญกรรมฐานแก้กรรมแผยชมกุศลแล้วก็จะหมดทางนะระหว่างครอบครัวจะไม่มีความสุขความเจริญเลย อาตมาไปสหรัฐอเมริกามีดร็อปเตอคนหนึ่งขับรถให้ไปเลื่อดไปตั้งรัฐไปกั๊ดอยู่ก็เล่นกาพ น, านันการไปดูวัดก็คุยไประหว่างทางหุ้นทางต้องไปเก้าร้อยกิโลมตรบอหลพ่อครับผมมีภรรยามาสองสามคนแล้วมีชู้หมดจะทำไงจะแก้ได้ล่ะครับอาตมาก็บอกเอาอย่างนี้ นั่งเจริญกรรมาฐานโอหที่กางก่อนแล้วก็ไปมีหมายสักคนหนึ่งแล้วเขาก็เชื่อจะมาก็สอนกรรมาฐานให้ทิรัตอาจาริษณ์โนนแล้วหมออ่าแล้วเราเปิดนี้ก็เจริญกรรมาฐานทนําได้ตร้างสติอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ทําตามปฏิบัติอย่างที่สอนทุกประการบัดนี้ภรรยาดีหมดไม่เป็นชู้สู่สาวอีกต่อไปนี่วิธีแก้ หนิกรรมก่อนทำมุสาววาดหลอกลวงโลกว่าเอาราบเขานะรับรองโดนโกงโดนหลอกตลอดรายการถ้ามาในชาตินี้หกสิบอร์เซ็นนะไม่สามารถจะแก้ได้ชาติเจริญกรรมฐ า, านหูทิกรรมได้ถึงจะเป็นไปได้สุาลามีระยะตุดมาหกสิบเอร์ซรับรองลูกหลานเป็นโลกประชาติยาก็หาว่าคนไหน เอาเหล้าสุรายามาวไปกินในวัดไปกินที่บักเพงกูชอนที่เขาสรางความดีกันจะเกิดเป็นวิบากรรมมาเจ็ดทั้วโคตรที่เราจะต้องคลายทึกคนวิกลจริตอันนี้อาตมาจับกฎแทนทธรมได้หมดแนละจึงได้ที่วัดเราเนี่ยโยมนะเวลาบวชหน้าจึงไม่มีเหล้าและไม่มีการแห่เวียนเทมาเช็มบอง เอาไปเอาไปเยาะเยอะพระพุทธเจ้าก็สวดพระพุทธคุณธรรมคุณชังคุณภาภุสังคุณสามรอกแล้วครานี้โบสคนที่มาบวชหน้าก็ได้บุญเท่าการมาเป็นเขต ก, การณคลกในเขตศีมาพระผู้ใหญ่ก็ต้องหูย่มถอดรองเท้าแล้วทำไมไปกลางสัพาทนแถมจีกองยาวเถิดเทิงกองยาวกันอีก ถ้าจะแห่มาจากบ้านก็ไม่เป็นไรแต่ถึงจะเข้าเฝ้าพระพุธววทธเจ้าเพยชิ้นมาก็ควรจะหยุดถือวัาเราจึงได้สร้างแต่บุญไม่เอาบาปแต่ประกันใดเนี่ยก็เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้มีความหมายอยู่ไม่น้อยตามาก็ขอเจริญพรว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยการเจริญกรรมฐานเนี่ยสามารถทำให้ทุราบาบางได้ เราโหสิกรรมใช่ก็สรุปใจความวมาสวดมนต์เป็นนิรอธิฐานจิตเป็นประการประจำเอาโหสิกรรมก่อนก็แผ่เมตตาเป็นต้นเนี่ยสามารถจะได้ผล น, นเนี่ยเช่นนายกเนียยงยุทธูุ้สมาคมจังหวัดอุทัยชนีโดนรถชนขาเละหมอบอกว่านายก ก้ะเขาเป็นสจจังหวัดอุทัยธานีด้วยแต่ลระตัดขาที่เรี้ยงเนี้ยก็คงไม่ได้นะมันจะต้องลาเพราะคุณานายกเป็นเบาหวานอย่างแรงมันก็จะเน่าคุณมาตัดสะโพกให้ออกเลยตัดออกนะถึงจะได้ผล น, นายกนี่ก็บอกว่าเอาละคุณหมอให้ผมได้แก่ตัวขอ ตัดสินใจสักสามวันก่อนค่อยค่อยตัดเลยผลยท้ายก็นางสวด น, นอนสวดมนที่โรงพยาบาลสวดพุทธคุณธรรมคุณพาวมณ ก, กาสวดมนต์เข้าอายุแล้วจริญกรรมาฐานรอบผงเข้าตาแล้วมันมีทางออกได้เท่ากับทางเดียวไม่งั้นจะตัดกระโปรงไม่อ อ, อกก็จะเดินไม่ได้ภรรยาก็ต้องกรอกข้าวตอกน้ำ เลยก็สวดมนต์ใหญ่นั่นเงเจริญกรรมาฐานพอหมอมาตรวจตรวจทั้งหมดแล้วหมอก็ถามว่าเอ๊ะเบาหวานหายไปได้ย่างไงไม่มีเชื้อน้ำตาลเลยแม้จะหย ด, ดเดียวไม่มีเชื้อก็อได้ความมาว่าเอางี้ฮ้นายกกัดสินใจขาวเหล็กใจเลยนิมิตเครื่องหมายมาบอกกันายกว่า ตอนไปเด็ดชอบความหมาให้หมาขาเลียแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มรุ่นชอบผับรถกั้แต่เมื่อไรชนหมาชอบชาให้หม า, าหักขาหักแล้วตัวเองโอแล้วยุกเจ็ดสิบกว่าแล้วก็ถึงได้ทราบนางเจริญกุศลภาวนาเบาหวานหายไปเลยเบาหวานหายได้นี่สิวไทยชทนี้นี้เองมาปีนี้เองนะ ปีที่แล้วเนี่ยเลยก็พาเหล็กใส่เดินได้เลยมาซองตัดขาแล้วเบาหวานหายไปไ้ายโดยขาดเลยก็พิมพ์หนังสือมาเอามาให้เป็นพันๆเล่มเลยพอดีคนหนึ่งลุงอายุเจ็ดทิพย์ปาดไปโรคมะเร็งหมอบอกว่าลุงอยากจะอยู่กับหลานลูกหลาน ที่ชาสามปีไหมผาออกนะทายิมมาอยากจะลูกอยู่ก็ลูกหลานก็ตายปีนี่ก็เอาํามใจเลยตะลุงกลัวไม่ไม่พาหนีมานั่งกรรมฐานาที่นี่สมาก็ไม่ทราบหรอกแต่แกก็กลับไปไปตรวจที่โรงพยาบาลอุทัยโรงพยาบาลอุทัยก็บอกเอหายไปยังไงเนี่ยไอ้กรณี้ไปไหนอนะ หายไปเลยเลยผลทายก็ผู้นวยการให้มนุโมทสมาคมไปพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องจากการกระทำของท่านนายกพุทธชมาคคมคนมาฟังในโรงพยาบาลกันแน่นและนายแพทย์สามีเป็นแพทย์ภรรยาเป็นแพทย์เขาก็ถามว่ามีลูกสองคนพิการหมดเรื่งกฎแห่งกรรมเป็นกา ร, ร, การใดก็ชี้แจงให้เขาฟังแล้ว นี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยทุกคนมันก็รู้กฎแห่งกรรมของเขาได้จากการกระทำเบ้าหวานหาโดยเด็ขาดเนี่ยมาเจะอย่างนี้แล้มาปีที่แล้วผ่านมาคนบาลบาบาลก็มาที่นี่สองคนลูกชายปวดขาขาเหย็ดไม่ออกขานั่งก็ไม่เย็ดร้อยปวดขามาเจ็กตื้น ไม่ทาบว่าเป็นเพราะอะไรหมอก็รักษาไม่หายเลยก็มานั่งกระว่าถาปวดหนอปวดหนอทางศรีว่าเขาพูดไทยไม่ได้สาวสายุสาวสอนคืออาซุงเงาไม่ซีชุ ง, งอะเดี๋ยวนี้กลับสิงคโปร์ไปนะเขาพูดบาเลได้พูดภาษาจีนกลางได้ก็กําหนดไปกําหนดไปกําหนดไปๆๆเกิดขึ้นกางอยู่ดาบไป เวทนาก็หายขัดนั่งขมาสมาธิได้พับเพียรได้และนนมิเสเครื่องหมายก็ปรากฏชัดให้ทราบว่าตองไปเด็กรุนรุนฟังขาหมูแล้วก็ขาหมูเน่าหนอนกินแล้วก็ฆ่าขายเขาไปฆ่าเป็นเวรเป็นกรรมมาตัวเองจองปวดขาไมา่อยุจะกหายบักนี้หายแล้ว เนี่ยมาอยู่นี่แค่เจ็ดวันนะคนบาลแล้วลูกชายมาด้วยก็บอกว่าหลวงพ่อข้าผส่งภาษาจีนกลางให้ลูกสาวแปลเขาจะเลิกเลี้ยงหมูหมดกลับไปนี่ยสร้างวัดจิเนเจกันแบบวัดจีนไม่ใช่วัดไทยแล้วก็จะไปสอนอย่างที่เ็าทำได้เนี่ยนะมีแหละเหตุผลที่เราทำเจริญกรรมฐาน มันก็กกนกรู้ก่ดแห่งกรรมขึ้นมาด้านโดยที่เขาไปกว้าข้ามหมูเป็นก้อนอย่างน้ายกอฝั่งข้ามหมาแล้วก็ชอบขับรถ้นหมาและตัวเองก็ไปโดนรถชนขาเล็กบัตรนี้สบายมากเดินได้เป็นปกติแหละและเบาหวานหายไปเลยนะหายโดยเด็ขาดด้วยเพราะฉะนั้นการทำอะไรเนี่ยเราเจริญกรรมฐ า, านเนี่ยมันก็ไม่มี อิฉาลิสิยาไทยจะจะเป็นเหตุให้เราได้ผลการลิสยาหรือการไม่แพ่ไม่ตาด้วยบุญกุศลนมันจะระเหิดผลห้าประการ 1. เป็นสาเหตุทำให้เกิดการแตกแยกความสามัคคีเป็นอุปสรรคของการประสานงานที่ดีสเป็นเครื่องทำลายขวัญและกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานรวมกัน 4. เป็นการสร้างศัตรูให้แก่ตัวเอง ขพอขาดความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงานกาันเนี่ยคนฉากรันไม่มีดีเดินมีจะแผ่เมตตากระเทือเขาก็จะได้มีประโยชน์ต่อการร่วมไปเนี่ยต่อไปด้วยสรุปใจความเนี่ยขอเจริญพรว่าการเจริญนิปัญนากรรมฐานเนี่ยสามารถระลึกเหตุการณ์ได้หนึ่งสองรู้อดแห่งกรรมได้ สจะแก้ปัญหาได้อย่างไงเมื่อเกิดขึ้นแขกเฉพนะาะห้าและเาเจริญกรรมฐานได้ไม่ใช่วายเงินมาและก็มีความสุขเองโดยเฉพาะมันทําให้มีกิปัญญาไปแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในปัจจุบันอดีตเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนนะโยมนะอย่าไปไหนตากะวายใจอย่าเบาเรื่องเก่าอย่าลื้ฟืน้นเรื่องอื่นอย่าคิดกิจชอบทำ ปัจจุบันเนี่ยเป็นของเราขนาดอนาคตหาความแน่นอนไม่ได้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงภาวะไปตามเหมาะสมของกฎแห่งกรรมจากการกระ ท, ทําของเราอย่าไปจับมั่นขันไม่ตายมันจะเสียใ จ, จยตลอดชีวิตเพรไฉะนั้นการกระทํำของชีวิตนี้จึงมีหลักฐานเหตุการณ์ของกฎแห่งกรรมเกิดขึ้นได้จากตัวเราทุกคนถ้าเราแผ่เมตตาเนี่ยศัตรูก็เป็นมิตรเราได้ คนที่เป็นคู่กรณีที่เกลียดเราฉาเราผูกพยาบาทเราเราก็สามารถแทนแม่ตาเขาเป็นมิรกับเราเขาจะได้ช่วยเราทำงานต่อไปลา ว, วงมันก็ต้องมีกองเชียร์มันมีชิงมีฉับมีกลับมีแกะด้วยกานทางนั้นถ้าเราไม่มีการกองเชียร์ขาดพวกพ้องพี่น้องแล้วไหนเลยเราจะทำงานอะไรได้ล่ะอยายขอฝากว่าโกดธแห่งกรรม ด้วยการกระทําของเราเองไม่ใช่คนอื่นทําให้แน่นอนได้แต่ตัวสัมมามาหลายเรื่องเลยเนี่ยดูสิฝ้าผ่าที่กุฏิเลยคนมากระอยู่ในก็ติก็เยอะสายเขียวเข้ามาสายแดงเข้ามาชนกันเปลี้ยงเลยจีวรไมห่หมดทั้งตัวเลยต้องปวดแสบปวดร้อนอยู่หกเดือนแล้วหูตึงไปหกเดือนเลยใครพูดมาพอดียินเลย เนี่ยต้องทรมานเราก็บานก็ยัยไว้ก็ไม่น่าเป็นมันก็เป็นได้ขอเจริญพรวจ่ า, าความดีต้องมีอุปสรรคจะทําทความดีมากขึ้นมีหนี้มาทวงก็นึกว่าจงช่วยการประสบะการณ์แลกแก้ปัญหาต่อไปเถอะถ้าเราไม่สร้างความดีสร้างความชั่วแล้วมันไม่มีหนี้มาทวงเอาไว้ทวงอาชากหน้าต่อไป มันจะไม่เป็นผลงายให้แก่ชีวิตของเราแต่ประกรันใดสร้างความดีต้องมีอุปสรรคขอเจริญพรว่าสร้างความดีต้องลงทุนความาลำบากให้น้าสร้างความชั่วน่สอบลงทุนความสบายไม่เอาเหนื้อเอาตากันแต่ประกรันใดเราขอเจริญพอรอย่างนั้นทำอะไรก็อุตสาห์สร้งใจให้ลูกเราสร้างความดีกับรุ่งทาถูกแลกกับหลานไปกดแห่งกรรม รักให้มันถูกวิธีตามความดีลูกดูถ้าพ่อแม่เลาปู่ยีปูย่ปยามกับผู้หญิงยิงเรือนะทําให้ลูกเสียหายก็มีเวลาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังละข้อเดียวในร้อยโททหารลพบุรีนี่เองอ่าเป็นทหารปืนใหญ่สูงย์การนัดปืนใหญ่มาประชดสองพันห้าร้อยแต่ชอบปูย่ยีปู่ยามกับลูกกับเมียเข้าผู้หญิงยิงเรือ ตลอดรายกาแล้วมาบวชวัดนี้ร้อยยี่สิบวันขอเปชฎีกาบรลมราชาอนุญาตมาได้แตมาก็บอกว่าผู้บวดไม่เชื่อบุญเชื่อบาสมาบวชทําไมที่ผมมาบวชนี้ผมไม่ได้ศรัทธาหรอกแม่ผมแก่แล้วแค่เนี่ยผมบวชเพราะแม่ผมก็ท่านชอบกันก็ดึงมาบวชที่วัดนี้เอาอย่างนั้นเหรอไม่เชื่อบุญเชื่อกรม การไปพูดยี่พูดย้ำกับพูดผู้หญิงยิงเลือเขานอนทาแพรบ้างลบรีบ้างสาแท่บ้างาจามารู้เนี่ยไม่ไม่ไม่เป็นบาปครับไม่เป็นบาปยังไงล่จะจามาฟังก็เขาก็ผมตกโรงการตกโรงการเราไปซื้อของเนี่ยต่อตามก็แลยตกโรงการจะบาปยังไงเขาก็เต็นใจก็ผม ผมก็เต็มใจกับขาวมันจะไม่บาปหรอกเราไม่ได้ไปข่มขืนเขาแต่ประการใดก็ตามใจนะเขาพูดมีเหตุผลนะคุณมีเหตุผ ล, ลอออ น, นะพ่ออ๋อนะก็เขามีลูกสาวสามโตเป็นสาวหมดแล้วมีลูกชายสองแต่เหตุกรรมดนบัดาลลูกสาวสามคนเลียนสวยเก่งแต่เข้าหมหาลัยไม่ได้แม้กับคุณเรียก นาเข้าไล่ได้เรีย น, น, นดได้ทางจะหมดได้หมอหกจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายแต่เข้าหมายใหญ่ไม่ได้เลยนาเข้ากรรมาชัดคนโตไปชอบร้องเพลงตามหูเต้นจะพาน้องไปก็ร้องเพลงตามหูเต้นร้องไปร้องมาสนุกสนานตามหูเต้นกลับมา แม่ก็บงแม่ก็ดาพ่อก็เมาขึ้นมาเตะลูกทั้งรองเท้าเลยนะเตลูกไปทั้งรงเท้าเลยแล้วก็ไล่แ her ลูกเลยนี่เห็นไหมแบบาปบาป ก, กรรมเพราะพ่สร้างความเลวไ ร, รยกับลูกชั ด, ชดเป็นเรองกรรมประการใดนายที่สดพ่อก็ว่าตัดบทลูกช้ว่าลูกเอ๋ย เดือกรยรยองโยนลงทะเลไปไม่ได้สนใจเธอลูกสาวสามคนก็ชี้นหน้าพอ่อหอกพ่อนะถ้าหากว่าดินไม่กดบหน้ายูกะไม่กลับแ้วออกจากบ้านไปเลยไปเป็นอะไรโยงมูม้ไหมไปเป็นโสภีนี่อยู่ที่พัชยานี่แล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้เลยนั่นเดินตามตามสนองมาแล้วในที่สุด พอแม่เอาชี้จิงลูกเหมืนกันก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วหายออกจากบ้านไปก็ไม่รู้ทําไมเมาพูดตบพ่อต่อว่าลูกไม่น่าจะเตะลูกท่างรองเท้าเมาเตะลูกทัางรองเท้าเลยเนะเป็นบาปเป็นตามของพ่ออันหนึ่งเลยพอดีในพันเอกเขามีเพื่อนเหมือนกันไอเ้เพื่อนในพันเอกนี่ก็ชอบทุกชนก็ชอบไปเทีย่ยวตามโรงแรม หลาไปพัยาก็ไปเจอลูกสาวคนนี้บอกหนูมาอย่างไงอยู่ที่นี่จำได้บอกว่าจำจำพ่อได้ไหมหนูเข็นเพื่อนพ่อของเขาเขาเรียกพ่ อ, จ, พอจำได้ค่ะเธอมาอยู่ยังไงบอกรายก็ะจาใช่ไหมทำไมไมาอยู่ที่นี่เหตุผลก็ได้ความว่าไปรองเพลง กลับมาพ่อเสดวยรองท้าและลายแห่หนูหนูก็มาทางนี้ดีมากเนะี่ยแหน่หนูถ้าพ่อไม่มาในห้องนี้นพ่อจะไม่ทราบว่าเคอเป็นขัดส่วนแล้วใช่ไหมเลยก็รู้เรื่องก็มาบอกกับเพื่อนบอกเพื่อนเนะี่ยว่าไปเจอลูกสาวเจ้าแล้วประเด็นโสดี น, นี่เนะี่ยพ่อน้ําตาร่วงทันที บอกกับแม่ด้วยบอกลูกเจ้าสามคนไปโสบไปนีหมดฉันตาล่วงเลยนี่จะเวรกรรมตามสนองแต่ว่าไม่มีเวรกรรมอย่างไรแล้วแล้วบนทีท่ายก็มาตรึกจองระยะทางพ่อก็ไม่มีคนชั่วยอย่างข้างแม่ก็ไม่มีแต่พ่อแม่รุ่นนี้พ่อมาทำความช่วกับลูกรวงลาอย่างนี้ตลอดมานะ ในสุดก็ไปค้นไปเจตีไปดูนสุดทั้งหาอ๋อนึกได้แล้วบวชวัดอัปวันชิ้มบุญสอนตัวในไลทโทหมประสอสอง 1, อพันห้าร้อยโน้นสอนโดยพระเหนพิเศษได้ความว่าอย่างไรก็พากันมาที่วัดนี้สองคนสามีภริยาก็มากราบเรียนอาตมาว่าหลวงพ่อจำผมได้ไหมบอกจำไม่ได้แล้วท่าเป็นใคร ผมไปในร้านโฉชทีนั่นที่นั้นสอนมาบวชที่นี่นนนนประชอดต้องพานาลอยที่หลวงพ่อบอกกับผมว่ามันมีลูกสาวม้างเขาแล้วไปเอา้าวําได้แล้วเอา้าเป็นเรื่องอะไรต่อไปบัดนี้ลูกสาวผม เ, เป็นความจริงที่หลวงพพูดแล้วครับเอ็นโฉไปหนีหมดแล้วครับอ้าวแล้วก็เชื่อบุญบาปไหมนะ้ายอมรับครับผมเชื่อหมื่นประชัยแล้ว หอวงพ่อช่วยแก้ผมหน่อยได้ไหมผมเสียใจเหลือเกินลูกสามคนไปหมดเลยเหลือแค่ลูกบุชายสองคนเล็กกำลังเยินเสืออยู่หมาวิาลหยองพ่อจะทำยังไงครับเอาละไหนไหนก็ยอมรับผิดแล้วก็จะโอ้โหสิดกรรมให้มามาลูกกับโทษขอโทษแล้วเอาไปภาพร้อนมาเจ็ดวัน สองโนสามมือก็ไปทาก้อนมาเจ็วันแล้วก็เอา้อทนข้าผู้ก่อนก็ทนทผู้เชียงทีดเตอรลูกทีดาลูกแช่งลูกแล้วจะมาจะยาถาสักฟีให้พอเสร็จแล้วก็นั่งกบมาฐานอย่างนี้แหละพ่อไปนั่งเหนือนอนแม่ไปนั่งใล้ตอนนั้นยังไม่มีกุญแจวัตถมากมายอย่างนี้หรอกมีแต่นิดหน่อยนะ เดี๋ยวนี้ก็ะรางมามา่าภายสองทั้งปีนี้เองไม่ได้มากมายเลยนะหนาเลยนั่งกรรมฐ า, านแผ่เมตตาให้ลูกขอให้ลูกดูเย็นไปศกขอให้ลูกดูเย็นไปศกแล้วก็ถอนคำพูดทีดาลูกแช็ลูกซีไย ล, ลูกว่าเลือกก่อนโย น, โยนลงทะเลขอบินจบาศแล้วขอถอนคำพูดนะถอนบาปออกก่อนในสุกก็กลับไป ลูกกลับมาหมดเลยสามคนกลับมาก็พามาที่วัดนี้ตามาก็เรียนถามบอกคุณหนูได้ข่าวว่าไปอย่างนี้ยลก็หนูบอกกับพ่อเธอว่าแผ่นดินไม่จดหน้าหนูจะไม่กลับบ้านนี่แผ่นดินจะไม่กดเรลยมายังไงไ นี่แหละกำลังแรงของกรรมาถานเนี่ยความหญิงพ่อแม่นะแผ่เมตตายลูกตั้แต่วันที่แปดทปจนตายหนูสามคนแยกกันงหากินก็บอกวันที่แปดฉันร้องไห้เลยคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงความหลังที่ผ่านมาไม่น่าจะมาเป็นอย่างนี้เลยพี่ก็ไปชวนน้องกลับบ้าน ายยานี่แหละญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยพ่อแม่ฉะนั้นแผลแม่ตา ย, ล, ยาลูกลูกคิดถึงแม่ได้ยังลูกจะไปเรีนใก ล, ก ล, กล้แสจะไ ม, ม่เรียนยังสือจะอยู่สหรัฐอเมริกาหรือสวิตสแลนด์หรือกรงปารีสฝรั่งเศสก็ตามเราแผลเมกาลูกกามเหยียดกลับด้่ยเป็นคนดีหมดการใจเรียนหนังสือในตัวอย่างที่มีหลายๆายก็เด็กก็กลับ พิถึงพ่อแม่อย่างนี้แล้วก็เราก็บอกพ่อแม่เขาอย่าไปเช้าความหลังอย่าไปลืฟ้ฟื้นเรื่องเก่าไปไหนอย่าลื้อฟือ้นเรื่องหนึ่งอย่าใช้จิดที่ชอบทำ น, นะเลยเด็กคนนี้สามคนก็ขอกลัดใจเลยก็มานั่งกระบาฐานจะเป็นสุดวันสุดวันใตมาไม่ชักจําไม่ได้ละเอียดก็มานั่งเจริดเลยกรรมาฐานสามพี่น้อง ได้เจริญกุศลภาวนาแพรเมตตาชื่นบุญชทุกวันแล้วก็เกิดมีสติปัญญากลับไปเรียนหมายลายลามคำแหงได้ปริญญาตรีทั้งหมดสามคนพอได้ปริญญาตรีสามคนแล้วก็สุดท้ายไปได้ครอบครัวดีหมดทุกคนตั้งหลักฐานได้มั่นคงแล้วก็พ่อก็ไปในพนแม่แม่ก็ไปหลักฐาน แม่ก็เป็นรองสาสตราจารย์แล้วก็จบการศึกยนแล้วหรืออย่างไรก็คงปลดแยวพ่อก็เป็นนายทลเป็นทิ้งนายโททหารญาติลูกสามคนก็ไปไ้าสามีดีหมดนี่เวรกรรมตามสนองพ่อแม่ก็มาให้แพ่ไม่ตายลูกเป็นการแก้กรรมไม่ลูกที่จรงทำกับเขา ปูย่ยปูยามาโหสถกรรมก็สรุปใจความว่าถ้าทั้งหลายเอเ๋ยจุดมนต์เปนิจอธิษฐานจิตเป็นแปรจำเอาโหสถกรรมก่อนก็แผ่เมตตาไม่โกรธไม่เกลียดใครอีกต่อไปอยป่าผูกพยาบาทฆ่าทะเวนแต่ท่านผู้ใดอีกแล้วท่านจะแผ่เมตตาได้สมปรัชนาทุกประการวันนี้ก็เป็นวันอาจายิกาสมัยดึกแล้ว ตามาก็เป็นค่ายอย่างแรงนะวันนี้ไปพูดมาก็หลายชั่วโมงมาพูดที่นี่ก็จะหลายชั่วโมงถาสมาเคร่งใจโยมนะถ้าไม่เคร่งใจโยมจะพูดให้สว่างเลยก็เห็นโยมจังว่วงไปแล้วตามาเนี่ยโยมยังได้ทักนะมาคกินก็ดึกมากเดี๋ยวไปวันนี้ก็ทั้งวันแนละ้ว ก็ไปพูดมาหลายรายการก็มาจะหยุดหย่อนพอนอารมณ์แจกระการได้โยมภาวุขาแค่ฟังเธอจางใจและแค่เหมือนจะอดหลับอดนอนบ้างก็ไม่เป็นไรไม่ว่าเอาร่างความดีฟังกันหาเวลาที่มีประโยชน์อย่างนี้จะยากสีวิตมีค่าเวลามีประโยชน์นะ สึ่งอ่านแทน้อยจำและปฏิบัติต่อไปย่อมจะได้รับผลสมค่าศาสนาอาจมาขออนุโมทนาที่ชี้แจงเลื่องกรรมฐานใน ล, ลึกชาติของกรรมและรู้กฎแห่งกรรมได้โดยไม่ผิดหวังและกรรมฐานสามารถแก้ปัญหาชีวิตจิตประจำวันได้ในเมื่อเราไม่สร้างเวรกรรมใหม่เนี่ยแต่เวรกรรมเก่าที่ผ่านมาต้องรับใช้ โดยไม่ปฏิเสธทุกขอหาจะได้โหสิกรรมกันจะไม่มีเวรมีกรรมกันต่อไปแล้วเวชนะนด้วยการอย่าจองเวรกรรมกันก็ขอจเจริญยศเจริญศักดิ์ศรีสร้างความดีในสังโคลของสนต่อไปและขอสุดท้ายนี้อำนาจบุญกุศทั้งหลายที่ญาติโยมมาบำเพ็ญกรรมฐ า, าน และบัพเพิญบุญก็ขอให้เป็นกะลุนหนุนนำนำโยมไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรด้วยการทุกข่านและขอทุกข่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาภละปฏิภาณธนาสารทุบัิไมื่อเกิ่ขึ้นในประการได้สมความมุ่งมาตัสนาด้วยการทุกลุกทุกนาน ในโอกาสบัดนี้เทินสานูขออวยพรทุกท่าน